ฝ่ายปฏิคาหคือผู้รับ2ทักษีาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก3ทักษีนาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาห4ทักษณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหก